ศา ส, สนาพุทธในใจคุณคืออะไรที่ดีแต่ชี้ไม่เห็นช่วยหรือว่าถ้าไม่ช่วยชี้ก็ไม่มีทางเห็นคนเสียงดังจำนวนมากคิดว่าตัวเองทาเพื่อศาสนาหรือกระทั่งช่วยพระศาสนาแต่ในที่สุดพอตกอับลำบากลำบนอันเป็นคลจาัด ก, การคิดช่วย ต, ตามสไตล์ตนก็โทษว่าศา ส, สนาไม่เห็นช่วยหรือตอบแทนตนบ้างหรือถ้าไม่มีอะไรเลยไม่ได้ลงทุนลงแรงช่วยไม่ได้ทำบุญสักบาทแต่ถือว่าตนเองอุตส่าหยอมเชื่อคุกเข่าถวายตนนอบน้อมกราบไหว้วิงวอนเทวดาก็ไม่เห็นว่าชะตาชีวิตจะดีขึ้นตรงไหนไม่เห็นว่าจะมีเงินทองไหลมาเทมา อกยังหักรักยังคุดที่ทางยังหลุดยังคงสะดุดคดีไม่เลิกสภาพจิตใจย่ำแย่ไม่รู้สึกอบอุ่นใจไม่ตอบโจทย์ดังนั้นจึงประกาศดังๆต่อแต่นี้ขอลาออกจากความเป็นพุทธไม่นับถือพุทธอีกต่อไปวิธีคลิกกับศาสนาของแต่ละคนเป็นตัวกำหนดทิศทางให้มองเห็นต่างกัน คนในโลกเกิน 99% ขึ้นต้นด้วยความเชื่อว่าศาสนามีไว้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขขึ้นทันทีที่ยอมสิโรรากรากกรานหรือได้ทำบุญทาทานกับวัดวานน้อยกว่า 1% ที่ลงเอ่อยค้นพบว่าศาสนามีไว้ช่วยให้เข้าใจชีวิตดีขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเรื่อย จากการเห็นว่าคิดอย่างนี้แล้วฟุ้งซ่านเปล่าไม่คิดอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนั้นแล้วเกิดเรื่องไม่พูดอย่างนั้นดีกว่าทำอย่างคนโน้นแล้วเสื่อมลงไม่ทำอย่างคนโน้นดีกว่าจากนั้นจึงค่อยว่ากันเรื่องสร้างเหตุขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นหรือเห็นนิพพานทั้งยังมีลมหายใจต้องทำกันอย่างไรดี ศา ส, สนาพุทธช่วยอะไรคุณบ้างถ้าคำถามนี้เกิดขึ้นในใจหลังจากคาดหวังเอากับศาสนาแล้วผิดหวังก็แย่หน่อยเพราะมีสิทธ์กลายเป็นพวกอกตัญญูมองไปว่าพระศาสนาไม่เห็นมีดีบุญคุณที่ตนทำไว้กับพระศาสนานับว่าสูญเปล่าตนเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วไม่เห็นช่วยอะไรเลย เมื่อคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้แล้วพูดออกสื่อแบบนี้ก็ได้ชื่อว่าทำกรรมในทางเห็นผิดเป็นชอบพอเกิดใหม่ก็มักเจอแต่การให้คำมั่นสัญญาผิดๆชี้ชวนให้หลงคิดว่ากราบไหว้วิงวอนแล้วศาสนาจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้พออกหักไม่เป็นอย่างที่หวังก็คิดน้อยอกน้อยใจกันต่อไม่รู้จบ แต่หากคำถามเดียวกันเกิดขึ้นหลังจากประสบทุก์แล้วหายทุก์ได้ก็นับว่าดีไปเพราะจะกลายเป็นคนรู้คุณศาสนาซึ่งก็จะต่อยอดให้กลายเป็นผู้มีความกตัญญูสรนเสริญพระศาสนาอยู่ว่าเป็นทางออกจากทุก์เป็นทางมาของบรมสุขทั้งยังหายใจอยู่ชีวิตนี้จึงเป็นชาติแห่งการมีตาสว่างใจสว่าง เกิดใหม่ก็เจอแต่สัญญาณดีๆมีความเข้าใจที่ชัดเจนไม่ถูกหลอกและไม่หลอกตัวเองไปจนสิ้นกาลนานพุทธพจน์ใครถามทางเราเราก็บอกให้ใครปฏิบัติด้วยตนเองพึงพ้นได้เองเช่นนี้ตถาคตจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้บอกทางไม่ใช่ผู้ปลดเรลื่อง